เรื่องเล่าสยองขวัญผีปาะข้างบ้านสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อวัตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานจะมาเล่าเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกที่เกิดกับคนในครอบครัวเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเป็นเรื่องราวลี้ลับที่ผมคิดว่า มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องปอบที่คนสมัยโบราณพูดกันว่ามีอยู่จริงทําให้คนเจ็บและตายมานักต่อ น, นักแต่ตัวผมเองก็ยังไม่เชื่อซะเท่าไหร่จนได้มาเจอกับตัวเองนี่แหละครับผมและครอบครัวมีพ่อกับแม่และย่าได้ย้ายมาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนเหตุที่ครอบครัวผมต้องย้ายบ้านบ่อยๆ ก็เพราะต้องย้ายตามพ่อที่รับราชการเป็นครูเราที่เช่าบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นผมและครอบครัวได้อยู่บ้านหลังนี้มาประมาณปีเศษเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรน่าห่วงจนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2559คุณย่าของผมในวัย75ปีเกิดอาการล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่แกเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแกบอกว่าปวดท้องมาก จนต้องนอนเกลือกกลิ้งลงกับพื้นแม่จึงบอกให้ผมไปหาซื้อยามาให้ทานคิดว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อทานยาก็ยังไม่หายพอรุ่งเช้าคุณพ่อของผมจึงพาย่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูในท้องทั้งหมดแต่ก็ไม่พบอะไรตรวจเลือดก็ไม่พบอะไรผิดปกติแต่ย่าก็ร้องโอดครวนอยู่อย่างนั้นทําให้ต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการไปก่อนระหว่างที่นอนโรงพยาบาลย่าต้องนอนห้องผู้ป่วยรวม เนื่องจากห้องพิเศษเต็มคืนแรกผมเป็นคนนอนเฝ้าเพราะเป็นช่วงวันหยุดเรียนเสราร์อาทิตย์พอดีอีกทั้งพ่อและแม่ของผมก็มีโรคประจำตัวหากให้นอนเฝ้าคนไข้ที่โรงพยาบาลคงไม่ได้หลับได้นอนกันแน่และสุขภาพก็จะแย่ลงไปอีกผมเลยอาสาเป็นคนเฝ้าแทนแต่คืนนั้นผมก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะตามทิณตามที่จึงนอนเล่นชัดในโทรศัพท์กับเพื่อนๆ อ, อยู่ตรงข้างๆเตียงที่ย่านอนสักพัก ผมก็ได้ยินเสียงย่าพูดว่ามึงอย่าทำกูเลยกูเจ็บแล้วกูปวดอย่าทำกูเลยผมลุกขึ้นมาดูย่าก็เห็นว่าย่านั้นนอนหลับอยู่แต่คงเป็นอาการละเมอของคนป่วยแต่ยังไม่ทันที่ผมจะนอนย่าก็พูดขึ้นมาอีกว่ามึงไปอยู่ที่ของมึงซะมึงอย่ามายุ่งกับกูผมเลยลุกขึ้นมาดูย่าปรากฏว่าย่ายังคงละเมออีกตามเคยผมก็ไม่ได้สนใจอะไร แลนอนเล่นโทรศัพท์ต่อจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบพอรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเกือบรุ่งเช้าประมาณตีห้าเพราะผมได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นก็เลยตกใจตื่นเห็นพยาบาลวิ่งกรูกันเข้ามาหาย่าของผมบนเตียงย่าตัวสั่นไปหมดทั้งสัน่นทั้งปวดท้องร้องโอดโอยเสียงดังลั่นทาเอาคนไข้ที่อยู่ในห้องต้องตกใจไป ต, ตามๆกันทุกคนหันมามองที่เตียงย่า ก, กันหมดแต่สพักแกก็สงบลง หลังจากพยาบาลได้ออกไปแล้วผมจึงเข้าไปถามย่าที่ยังนอนปวดท้องทำหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ว่าย่าเป็นอะไรตลอดทั้งคืนย่าบอกว่าฝันเห็นผีตนหนึ่งผมยาวปิดหน้าความยาวของเส้นผมจะหดพื้นมันมาพร้อมๆกับหมาดำตัวใหญ่ยักษ์ดวงตาเป็นสีแดงสดมันมายืนจ้องอยู่ตรงปลายเตียงและยื่นมือออกมาบีบท้องของย่าทำให้ย่ารู้สึกเจ็บปวดทรมานมากแกบอกว่าในฝันนั้น เป็นเหมือนเรื่องจริงเลยตอนนั้นผมคิดว่าย่าคงปวดท้องมากเลยทำให้ฝันไปต่างๆนานาได้แต่ปลอบใจแกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วก็คงจะได้กลับไปพักที่บ้านซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเช้าวันต่อมาแพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้ย่ากลับบ้านได้เพราะจากการที่ดูอาการมาสองวันและตรวจเช็คร่างกายทุกอย่างแล้วไม่พบว่ามีอะไรที่ปกติเช้าวันนั้นผมกับพ่อจึงพาย่ากลับมาที่บ้าน พอกลับมาถึงบ้านที่บ้านก็เต็มไปด้วยเพื่อนบ้านที่มาถามสารทุกข์สุกดิบต่างคนก็ต่างพูดกันไปว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ของเจ้าที่หรือเปล่าหรืออาจจะผีสางนางไม้กระทำหรืออาจจะโดนคุณใสทุกคนต่างก็ให้ความเห็นไปตามความเชื่อส่วนตัวผมก็ได้แต่นั่งฟังเฉยๆแม้จะไม่ได้คิดว่าอาการปวดท้องของย่าเกิดจากสาเหตุของสิ่งเร้นลับแต่ในใจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วทไมย่าถึงปวดท้องมาก ทั้งที่ตรวจแล้วก็ไม่พบเจออะไรผิดปกติเลยคืนนั้นเมื่อเพื่อนบ้านได้กลับไปหมดแล้วผมจึงทําธุระส่วนตัวอาบน้ํากินข้าวสลับกับพ่อและแม่ที่ต้องเปลี่ยนกันเฝ้าหญ้าเพราะว่าแกยังปวดท้องไม่หายหลังจากที่ผมอาบน้ําเสร็จแล้วก็ซักชุดนักเรียนที่ยังอยู่ในตะกร้า ส, ส่วนหนึ่งเพราะเสาร์อาทิตย์มเดแต่ไปเฝ้าหญ้าเลยไม่ได้ซักผ้าขณะที่ผมเอาเสื้อผ้าไปตากที่หลังบ้านผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นมะม่วง ซึ่งต้งมะม่วงต้นนี้จะแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านผมกับอีกบ้านหนึ่งที่ติดกันซึ่งบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วปล่อยให้บ้านรกร้างอยู่นานหลายปีผมเฝ้ามองว่าเงาที่เห็นนั้นจะเป็นเงาของหมาแมวหรืออะไรกันแน่ก็คอยจ ด, จ, ด จ, จ้องอยู่นานเพราะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาและแล้วผมก็เห็นมันจนได้เพราะคราวนี้มันเหมือนจงใจให้ผมเห็นเลย จู่ๆมันก็โผล่ออกมาจากหลังต้นมะม่วงมันเป็นหมาดําตัวใหญ่ขนาดความสูงน่าจะถึงเลยเอวของผมขึ้นมามันแยกเชี่ยวขู่ครางฟันที่แหลมคมของมันเกินกว่าจะเป็นหมาธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปดวงตาของมันสีแดงจัดเท่า น, นั้นยังไม่พอมันยังปรากฏ ร, ร่างของอะไราบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับคนผมยาวลากดินลักษณะสเส้นผมปิดใบหน้าทั้งหมดผมจึงไม่เห็นว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไร เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่ที่จําได้คือไม่ใส่รองเท้าใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาของเก่ามันยกมือสองข้างขึ้นขนาดที่ตรงใบหูของมันแล้วกลางเล็บออกเล็บมือของมันยาวและคมกริบเหมือนใบมีดไม่มีผิดเพียงเท่านั้นแหละครับผมทิ้งตะกร้าเสื้อผ้าและวิ่งไม่คิดชีวิตเข้าบ้านปิดประตูใส่กรอนทันทีพ่อผมเห็นว่าผมวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น พ, พ่อพ่อผีหรืออะไรไม่รู้啊 อยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านผมพูดปากสั้นๆพ่อผมนิ่งมองหน้าผมด้วยความแปลกใจแต่ไม่ได้พูดอะไรได้แต่เดินออกไปตรงหลังบ้านแล้วมองไปยังต้นมะม่วงที่ผมว่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านไม่ห่างกันมากแต่บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยและพ่อก็เดินเข้าบ้านตามปกติโดยไม่มีทีท่าว่าจะเชื่อตามที่ผมบอก ท, ทั้งที่ผมเห็นกับตาจริงๆและไม่ได้ตาฝาดคืนนั้นผมนอนหลับด้วยความผวา เพราะภาพที่ผมเห็นติดตาเป็นอย่างมากจนนอนคนเดียวในห้องไม่ได้เลยมาขอนอนกับพ่อและแม่ที่นอนเฝ้าย่าอยู่อีกห้องขณะที่ผมเห็นย่านอนโอดครวนเจ็บปวดอยู่นั้นผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานที่อยู่โรงพยาบาลย่าได้บอกกับผมว่าฝันเจอหมาดาตัวใหญ่กับผีตนหนึ่งผมยาวลากพื้นผมจึงแน่ใจว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมเห็นหลังบ้านคืนนั้นผมนอนคิดทั้งคืนทั้งกลัวทั้งสงสัยว่า เขาคือใครกันเจิงกระทั่งเช้าวันต่อมาก็มีคำตอบจากบ้านที่อยู่ตรงข้ามเพราะแม่ของเขาในวัยกว่า80ปีได้เกิดอาการปวดท้องอย่างหนักวันนั้นเขาพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ตรวจร่างกายแล้วก็ไม่เจออะไรพอกลับมาที่บ้านเขาเลยมาหาพ่อกับแม่ผมและเล่า ว, ว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันว่ามีผีผมยาวลากพื้นกับหมาดาตัวใหญ่ผีตนนั้นได้บีบท้องของแม่เขาผีตนนั้นมันบอกว่า อยากกินของเส้นเป็นไก่ต้มเหล้าและอาหารอื่นอื่อีกมากมายถ้าไม่หาให้มันกินจะทําให้แม่เจ็บปวดหนักกว่าเดิมพ่อได้ยินแบบนั้นจึงหันมาหาผมและถามถึงเหตุการณ์ที่ผมเห็นเมื่อคืนผมจึงเล่าให้พ่อฟังและบอกว่าย่าก็เคยพูดให้ฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลว่าฝันถึงผีตนนี้เหมือนกันซึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามบอกว่าบ้านข้างๆบ้านผม เขาย้ายออกไปก็เพราะผีตนนี้มาก่อกวนจนเขาไม่สามารถอยู่บ้านได้เชื่อว่าผีตนนี้มันคือปอบเพราะมันมากับหมาดำแต่ไม่ใช่ว่ามันจะคอยมากินตับกินไตผู้อื่นเพียงแต่มันจะทำให้เจ็บปวดตรงท้องเพื่อมนการบังคับให้หาอาหารให้มันเจ้าของบ้านหลังนั้นก็เคยเจอมาก่อนจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะผีก่อกวนจนทาให้เขาเจ็บจนเกือบตายเขาจึงย้ายออกไปและกลายเป็นบ้านร้างจากวันนั้น บ้านผมกับบ้านตรงข้ามก็จัดหาของเส้นไหว้ให้กับผีปอบตอนนั้นเพราะครอบครัวผมเชื่อว่าเหตุที่ย่าปวดท้องก็เพราะผีปอบอยากจะกินของเส้นเมื่อไม่มีใครหาให้กินจึงต้องไปก่อกวนคนตรงข้ามบ้านต่อและกล่าวกันในละแวกนั้นว่าผีปอบตอนนี้มักจะก่อกวนแค่ผู้คนบ้านใกล้ๆชาวบ้านที่อยู่คุ้มอื่นๆจึงไม่มีใครรู้แม้ว่าจะมีชาวบ้านมาเยี่ยมย่าในวันก่อนก็ยังไม่มีใครพูดถึง และหลังจากที่เราได้จัดหาของเส้นไว้ให้ปอบเดา ว, วางไว้ตรงใต้ต้นมะม่วงแล้วย่าก็หายจากอาการปวดท้องแต่หายได้ไม่นานนะครับแค่ประมาณเดือนหนึ่งจากนั้นย่าก็ปวดท้องอีกครอบครัวเราจึงได้บนพระมาทําบุญบ้านทําบุญอุทิศให้ผีปอบอีกครั้งเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้แหละครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเราจะจัด ก, การกับมันยังไงถ้าย่ากลับมาปวดท้องเพราะหากจะให้หมอผีมาปราบก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆ พ่อผมสอนว่ามันจะเป็นการผูกเวรกันทางที่ดีก็คือการแผ่เมตตาทำบุญอุทิศให้เขาบ่อยๆแต่ถ้ายังไม่ยอมอีกก็ต้องย้ายบ้านหนีกันนะครับเพราะถ้าจะให้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ